พระไตรปิฎกเล่มที่ส4บสมหาสุญญ า, าสูตรว่าด้วยสุญญ า, าสูตรใหญ่ธรรมะเป็นเครื่องอยู่คือความว่างทั้งภายในและภายนอกพระผู้มีพระภาพประทับอยู่ณ น, น, นิโครทารามเขตกรุงกบิลพัทแควนสักกะเสดจไปยังวิหารของเจ้ากาละเคมะกะสักยะ ทอดพระเนธเห็นเสนาสนะที่เขาจัดไว้เป็นอันมากจึงตรัสถามท่านพระอานนท์ได้ความว่าในวิหารนั้นมีภิกษุอยู่จํานวนมากสมัยที่เป็นจีวรการของท่านพระอานนท์และภิกษุทั้งหลายก็กำลังดำเนินไปอยู่ตรัสว่าอานนท์ภิกษุผู้พอใจการคลุกคลีด้วยหมู่คณะยินดีการคลุกคลีด้วยหมู่คณะ ประกอบหนึ่งเนืองซึ่งความคลุกคลีด้วยหมูคนะ่คณะชอบคณะยินดีคณะบันเทิงอยู่ในคณะไม่งามเลยเป็นไปไม่ได้ที่ภิกษุผู้พอใจการคลุกคลีด้วยหมูคนะ่คณะยินดีการคลุกคลีด้วยหมู่คณะประกอบหนึ่งเนืองซึ่งความคลุกคลีด้วยหมู่คณะชอบคณะยินดีคณะบันเทิงอยู่ในคณะจกเป็นผู้ได้เนคขมสุปวิเวกสุ อุปัสมาสุสมโพธิสุเป็นไปไม่ได้ที่จะได้สิ่งเหล่านี้ตามปรารถนาได้โดยไม่ยากโดยไม่ลำบากเนคขมสุขหมายถึงความสุขของผู้ออกจากกามได้แล้วปะวิเวกสุขหมายถึงความสุขที่สงัดจากกามอุปปัสมาสุขหมายถึงความสุขอันสงบเพราะเป็นไปเพื่อการเข้าไปสงบกิเลสมีราคะเป็นต้น สัมโพธิสุขหมายถึงความสุขจากการตรัสรู้เพราะเป็นไปเพื่อตรัสรู้มรรคจากนั้นตรัสว่าเป็นไปได้ที่ภิกษุผู้หลีกออกจากคณะอยู่ตามลำพังผู้เดียวพึงหวังเนฆามะสสุปาวิเวะกัสสุอุปปัสสมาสุขและสัมโพธิสุขจากเป็นผู้ได้สุขนั้นตามปรารถนาได้โดยไม่ยากโดยไม่ลำบาก เป็นไปไม่ได้ที่ภิกษุผู้พอใจการคลุกคลีด้วยหมู่คณะยินดีการคลุกคลีด้วยหมู่คณะประกอบหนึ่งเนืองซึ่งความคุกคลีด้วยหมู่คณะบันเทิงอยู่ในคณะจากบรรลุเจโตวิมุตต์ซึ่งเป็นความหลุดพ้นจากกิเลสที่เกิดขึ้นตามสมัยอันน่ายินดีหรือโลกุตระมักซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นตามสมัยอันไม่กำเริบได้เป็นไปได้ที่ภิกษุ ผู้หลีบออกจากคณะอยู่ตามลำพังผู้เดียวพึงหวังบรรลุเจโตวิมุตตซึ่งเกิดขึ้นตามสมัยอันน่ายินดีหรือโลกุตตระมาร์คซึ่งมิได้เกิดขึ้นตามสมัยอันไม่กำเริบอานนท์เราไม่พิจารณาเห็นรูปอื่นแม้อย่างหนึ่งซึ่งเป็นที่ไม่เกิดโสกะคือความเศร้าโศกปริเทวะความคร่องครวญทุก ความไม่สบายกายโทมนัสความไม่สบายใจและอุปายาตคือความคับแค้นใจเราไม่พิจารณาเห็นรูปแม้อย่างหนึ่งซึ่งเป็นที่ไม่เกิดสิ่งเหล่านี้เพราะรูปตามที่บุคคลกำหนดยินดีกันแล้วแปรพันและเป็นอย่างอื่นเลยอานอนนก็วิหารธรรมนี้แลที่ตถาคตตรัสรู้แล้วในที่นั้นคือตถาคต เข้าสุญญาตาในภายในเพราะไม่ใส่ใจนิมิตทั้งปวงอยู่ในที่นี้หมายถึงพระสมมาบัติถ้าภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาพระราชามาหาอมาตเดียรถีสาวกเดียรถีเข้ามาหาตถาคตผู้มีโชคอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้ในที่นั้นตถาคตย่อมมีจิตน้อมไปในวิเวกในที่นี้หมายถึงน้อมไปในนิพพาน โน้มไปในวิเวกโอนไปในวิเวกหลีกออกแล้วยินดียิ่งแล้วในเนคขมมะเป็นผู้สิ้นสุดจากธรรมะเป็นที่ตั้งแห่งอาสวะโดยประการทั้งปวงเป็นผู้ทำการเจรจาที่เกี่ยวเนื่องด้วยการชักชวนเท่านั้นในบริษัทนั้นโดยแท้อานน์เพราะเหตุนั้นถ้าภิกษุแม้หวังว่า เราพึงเข้าสุญญาตาในภายในอยู่ภิกษุนั้นพึงตั้งจิตไว้ในภายในทาจิตให้สงบทำจิตให้มีธรรมะเอกผุดขึ้นตั้งจิตให้มัน่นข้อนั้นเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมะวินัยนี้สงัด จ, จักรการและอากุศลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานที่มีวิตตกวิจารปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่ บรรลุทุติยฌานบรรลุตติยฌานบรรลุจตุตัตฌานภิกษุตั้งใจไว้ในภายในทำจิตให้สงบทำจิตให้มีธรรมะเอกผุดขึ้นตั้งจิตให้มั่นเป็นอย่างนี้ภิกษุนั้นใส่ใจสุญญตาในภายในเมื่อเธอใส่ใจสุญญตาในภายในจิตจึงไม่เล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งมั่น และไม่น้อมไปในสุญญาตาในภายในเมื่อเป็นเช่นนั้นภิกษุย่อมรู้ชัดสุญญาตานั้นที่มีอยู่อย่างนี้ว่าเมื่อเราใส่ใจสุญญตาในภายในจิตจึงไม่แล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งมั่นและไม่น้อมไปในสุญญตาในภายในภิกษุนั้นชื่อว่าเป็นผู้มีสัมปัชัญญะในสุญญตาในภายในนั้นด้วยอาการอย่างนี้ และโดยนัยยะเดียวกันกับสุญญตาภายในคือภิกษุนั้นใส่ใจสุญญตาในภายนอกภิกษุนั้นใส่ใจสุญญตาในภายในและภายนอกภิกษุนั้นใส่ใจอเนนชาสมาบัติเมื่อเธอใส่ใจอเนนชาสมาบัติในที่นี้หมายถึงอรูปสมาบัติเมื่อเธอใส่ใจอนเนนชาสมาบัติจิตจึงไม่ล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งมัน่น และไม่น้อมไปในอนเนีนชาสมาบัติเมื่อเป็นเช่นนั้นภิกษุย่อมรู้ชัดอเนีนชาสมาบัตินั้นที่มีอยู่อย่างนี้ว่าเมื่อเราใส่ใจอนเนีนชาสมาบัติจิตจึงไม่แล่นไปไม่เลืเ่อมใสไม่ตั้งมั่นและไม่น้อมไปในอนเนีนชาสมาบัติภิกษุนั้นเป็นผู้มีสัมปัชัญญะในอนเนีนชาสมาบัตินั้นได้ด้วยอาการอย่างนี้ สำหรับคำว่ามีสัมปะชัญญาในที่นี้หมายถึงมีความรู้ตัวว่ากรรมฐานของตนยังไม่สำเร็จภิกษุนั้นตั้งจิตไว้ในภายในทาจิตให้สงบทาจิตให้มีธรรมะเอกผุดขึ้นตั้งจิตให้มั่นในสมาธินิมิตในเบื้องต้นนั้นแหละภิกษุนั้นใส่ใจสุญญตาในภายในเมื่อเธอใส่ใจสุญญตาในภายใน จิตจึงแล่นไปเลื่อมใสตั้งมั่นและน้อมไปในสุญญตาในภายในเมื่อเป็นเช่นนั้นภิกษุย่อมรู้ชัดสุญญตานั้นที่มีอยู่อย่างนี้ว่าเมื่อเราใส่ใจสุญสตส ญ, ญตาในภายในจิตจึงแล่นไปเลื่อมใสตั้งมั่นและน้อมไปในสุญญตาในภายในภิกษุนั้นชื่อว่าเป็นผู้มีสัมปชัญญะในสุญญตาในภายในนั้นด้วยอาการอย่างนี้ และโดยในยะเดียวกันภิกษุนั้นใส่ใจสุญญตาในภายนอกภิกษุนั้นใส่ใจสุญญตาในภายในและภายนอกและเมื่อภิกษุนั้นใส่ใจอนเนีนชาสมาบัติเมื่อเธอใส่ใจอนเนีนชาสมาบัติจิตจึงล่นไปเลื่อมใสตั้งมั่นและน้อมไปในอนเนียนชาสมาบัติเมื <ed> อ่อเป็นเช่นนั้นภิกษุย่อมรู้ชัดอนเนียนชาสมาบัติที่มีอยู่อย่างนิว่า เมื่อเราใส่ใจอนเนียนชาสมาบัติจิตจึงแล่นไปเลื่อมใสตั้งมั่นและน้อมไปในอนเนียนชาสมาบัติภิกษุนั้นชื่อว่าเป็นผู้มีสัมปะชัญญะในอนเนียนชาสมาบัติด้วยอาการอย่างนี้อานน์หากเมื่อภิกษุนั้นอยู่ด้วยวิหารธรรมคือสมถะและวิปัสสนาอย่างนี้จิตย่อมน้อมไปเพื่อการเดินจงกรมภิกษุนั้น จึงเดินจงกรมด้วยหวังว่าบาปอากุศลละธรรมคืออภิชาและโทมนัสจะครอบงำเราผู้เดินจงกรมอยู่อย่างนี้ไม่ได้ภิกษุนั้นชื่อว่าเป็นผู้มีสัมปัตชัญญาในการเดินจงกรมนั้นด้วยอาการอย่างนี้สัมปัตชัญญาในที่นี้หมายถึงมีความรู้ตัวว่ากรรมฐานของตนสำเร็จแล้ว หากเมื่อภิกษุนั้นอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้จิตยอมน้อมไปเพื่อการยืนภิกษุนั้นจึงยืนด้วยหวังว่าบาปอากุศลธรรมคืออภิชาและโทมนัสจะครอบงำเราผู้ยืนอยู่แล้วอย่างนี้ไม่ได้ภิกษุนั้นชื่อว่าเป็นผู้มีสัมปชัญญะในการยืนนั้นด้วยอาการอย่างนี้หากเมื่อภิกษุนั้นอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้จิตยอมน้อมไปเพื่อการนั่ง ภิกษุนั้นจึงนั่งด้วยหวังว่าบาปอากุศลลธรรมคืออภิชาละโทมนัสจะครอบงำเราผู้นั่งอยู่แล้วอย่างนี้ไม่ได้ภิกษุนั้นชื่อว่าเป็นผู้มีสัมปัตชัญญาในการนั่งนั้นด้วยอาการอย่างนี้หากเมื่อภิกษุนั้นอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้จิตย่อมน้อมไปเพื่อการนอนภิกษุนั้นจึงนอนด้วยหวังว่าบาปอากุศลลธรรม คืออาภิชาละโทมนัสจะครอบงำเราผู้นอนอยู่อย่างนี้ไม่ได้ภิกษุนั้นชื่อว่าเป็นผู้มีสัมปะชัญญาในการนอนนั้นด้วยอาการอย่างนี้หากเมื่อภิกษุนั้นอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้จิตย่อมน้อมไปเพื่อการพูดเธอใส่ใจว่าเราจะไม่พูดเรื่องดีรัชานคาถาเห็นปานนี้คือเรื่องพระราชาเรื่องโจรเรื่องหมหาอมาัมมัด เรื่องกองทัพเรื่องภัยเรื่องการรบเรื่องข้าวเรื่องน้ำเรื่องผ้าเรื่องที่นอนเรื่องพวงดอกไม้เรื่องของหอมเรื่องญาติเรื่องยานพาหะเรื่องบ้านเรื่องนิคมเรื่องเมืองเรื่องสตรีเรื่องคนกล้าหาญเรื่องตรอกเรื่องท่าน้ำเรื่องคนที่ล่วงลับไปแล้วเรื่องเบ็ดเตล็ดเรื่องโลกเรื่องทะเลเรื่องความเจริญและความเสื่อม ซึ่งเป็นเรื่องเลวทรามเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ใช่ของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อความคลายกำหนัดเพื่อดับเพื่อสงบระงับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้และเพื่อนิพพานภิกษุนั้นชื่อว่าเป็นผู้มีสัมปชัญญะในการพูดนั้นด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุนั้นใส่ใจว่า เราจะพูดเรื่องเห็นปานนี้คือเรื่องความมักน้อยเรื่องความสันโดษเรื่องความสงัดเรื่องความไม่คลุกคลีกันเรื่องการปรารบความเพียรเรื่องศีลสมาธิปัญญาวิมุตตวิมุตติญาณทัศนะซึ่งเป็นเรื่องขัดเกลากิเลสอย่างยิ่งเป็นสัพยะแห่งความเป็นไปแห่งจิตเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายโดยส่วนเดียวเพื่อคลายกำหนดเพื่อดับ เพื่อสงบระ ง, งับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้และเพื่อนิพพานภิกษุนั้นชื่อว่าเป็นผู้มีสัมปัตชัญญาในการพูดนั้นด้วยอาการอย่างนี้วิมุตติญาณทัศนะเป็นความรู้ขั้นสุดท้ายแยกอธิบายได้ว่าวิมุตต์หมายถึงอรหัตผลญาณทัศนะหมายถึงปัจจวาาิคณาญาณ คือญาณที่เกิดขึ้นถัดจากการบรรลุมรรคผลด้วยมัรคญาณและผลญาณเพื่อพิจารณามรรคผลพิจารณากิเลสที่ละได้แล้วและเหลืออยู่รวมทั้งพิจารณานิพพานส่วนคำว่าเป็นสัายะแก่ความเป็นไปแห่งจิตหมายถึงเป็นที่สบายและเป็นอุปการะแก่การชักนาจิตเข้าสู่สมถะและวิปัสสนา และสัพปพ ะ, ะที่ควรเสพเจ็ดประการคืออาวาสโคจรการพูดคุยบุคคลโพชนะฤดูและอิริยาบถหากเมื่อภิกษุนั้นอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้จิตย่อมน้อมไปเพื่อการตรึกภิกษุนั้นใส่ใจว่าเราจะไม่ตรึกในวิตกเห็นปานนี้คือกามวิตกความตรึกในกาม พยาบาทวิตกความตรึกในพยาบาทวิหิงสาวิตกความตรึกในการเบียดเบียนซึ่งเป็นวิตกเลวทรามเป็นของชาวบ้านเป็นของผุตุชนไม่ใช่ของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับเพื่อสงบระงับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้และเพื่อนิพพานภิกษุนั้น ชื่อว่าเป็นผู้มีสัมปชัญญะในการตรึกนั้นด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุนั้นใส่ใจว่าเราจะตรึกในวิตกเห็นปานนี้คือเนกข ม, มะวิตกความตรึกที่จะออกจากกามอพยาบาทวิตกความตรึกในการไม่พยาบาศวิหิงสาวิตกความตรึกในการไม่เบียดเบียนซึ่งเป็นวิตกของพระอริยะ เป็นเครื่องนําออกที่นําออกเพื่อความสิ้นทุกโดยชอบแก่บุคคลผู้ทำตามภิกษุนั้นชื่อว่าเป็นผู้มีสมปัชัญญะในการตรึกนั้นด้วยอาการอย่างนี้อนนนการมคุณห้าประการนี้คือรูปที่พึงรู้แจ้งทางตาเสียงที่พึงรู้แจ้งทางหูกลิ่นที่พึงรู้แจ้งทางจมูก รสที่พึงรู้แจ้งทางลิ้นโหดทัพทพักที่พึงรู้แจ้งทางกายที่น่าปรารถนาน่าใกล้น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใกล้พ่าใจให้กำนัดอานนต์กรารมคุณห้าประการนี้ภิกษุพึงพิจารณาจิตของตนเนืองๆว่าข้อที่จิตฟุ้งขึ้นเพราะกรารมคุณห้านี้ซึ่งเกิดขึ้นในกรารมคุณอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือในอายตนะอย่างใดอย่างหนึ่งมีอยู่แก่เราหรือไม่หากภิกษุพิจารณาอยู่รู้ชัดอย่างนี้ว่าข้อที่จิตฟุ้งร้านในกรารมคุณห้านี้ซึ่งเกิดขึ้นในกามคุณอย่างใดอย่างหนึ่งหรือในอายตนะอย่างใดอย่างหนึ่งมีอยู่แก่เราเมื่อเป็นเช่นนั้นภิกษุย่อมรู้ชัดข้อที่จิตฟุ้งขึ้นนั้นอย่างนี้ว่าฉันทราคะในกรารมคุณห้านี้ เรายัางละไม่ได้ภิกษุนั้นชื่อว่าเป็นผู้มีสัมปชัญญะในชันทราคะาในกามคุณห้านี้ที่ยังละไม่ได้นั้นด้วยอาการอย่างนี้แต่ถ้าภิกษุพิจารณาอยู่รู้ชัดอย่างนี้ว่าข้อที่จิตพุ้งขึ้นเพราะกามคุณห้านี้ซึ่งเกิดขึ้นในการมคุณอย่างใดอย่างหนึ่งหรือในอายตนะอย่างใดอย่างหนึ่งไม่มีแกเราเลย เมื่อเป็นเช่นนั้นภิกษุยอมรู้ข้อที่จิตปุ้งขึ้นนั้นอย่างนี้ว่าฉันธราคาในการมาคุณห้านี้เราละได้แล้วภิกษุนั้นชื่อว่าเป็นผู้มีสัมปะชัญญะในชันธราคาในการมาคุณห้านี้ที่ละได้แล้วนั้นด้วยอาการอย่างนี้ฉันธราคาในที่นี้หมายถึงความกำหนัดที่ไม่รุนแรงคือชันทะ และความกำนัดที่รุนแรงคือราคะสมปะชัญญาในที่นี้หมายถึงรู้ชัดโดยรู้ว่ากรรมฐานของเราสำเร็จพร้อมคือภิกษุพิจารณาอยู่ว่าฉันทราคะในการมาคุณห้าเราละได้แล้วหรือยังละไม่ได้ดังนี้เมื่อรู้ว่ายังละไม่ได้ต้องประคองความเพียรจึงจะเพิบถอนฉันทราคะได้ด้วยอนาคามิมักต่อจากนั้น ก็พิจารณาพละสมาบัตในลำดับแห่งมรรคออกจากพละสมาบัตแล้วพิจารณาอยู่จึงรู้ว่าลัะได้แล้วอนนลอุปทานขันห้านี้เป็นธรรมะที่ภิกษุผู้พิจารณาเห็นทั้งความเกิดและความดับว่าอย่างนี้รูปอย่างนี้ความเกิดแห่งรูปอย่างนี้ความดับแห่งรูป และโดยในยะเดียวกันอย่างนี้เวทนาอย่างนี้สัญญาอย่างนี้สังขารอย่างนี้วิญญาณอย่างนี้ความเกิดแห่งวิญญาณอย่างนี้ความดับแห่งวิญญาณภิกษุนั้นผู้พิจารณาเห็นทั้งความเกิดและความดับในอุปทานขันห้านี้อยู่ย่อมละอัศมิมาณะในอุปทานขันห้าได้เมื่อเป็นเช่นนั้น ภิกษุย่อมรู้ชัดอัสมิมานะที่ลกได้แล้วนั้นอย่างนี้ว่าอัสมิมาณะในอุปทานขันหานี้เราละได้แล้วภิกษุนั้นชื่อว่าเป็นผู้มีสัมปัชัญญะในอัสมิมานะในอุปทานขันหานี้ที่ละได้แล้วนั้นด้วยอาการอย่างนี้ละอัสมิมานะในที่นี้หมายถึงละมาณะว่าเรามีรูป ละฉันทะว่าเรามีรูปละอนุสัยคือความเคยชินว่าเรามีในรูปธรรมะเหล่านี้คือสมถะวิปัสสนามักและผลเนื่องมาจากกุศลโดยส่วนเดียวไกลจากฆ่าศึกเป็นโล ก, กุตระอันมานผู้มีบาปอย่างลงไม่ได้อานนท์เธอเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไร คือสาวกพิจารณาเห็นอนํานาจประโยชน์อะไรจึงควรติดตามศาสดาอย่างใกล้ชิดเมื่อตรัสถามดังนี้ท่านพระอานนุ์จึงกราบทูลขอให้ทรงอธิบายอานุ์สาวกไม่ควรติดตามศาสนาเพียงเพื่อฟังสุดตะึเคยยะและอว ย, ยาการณะข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะธรรมะทั้งหลายอันเธอทั้งหลายสดับทรงจําคล่องปาก เพ่งพินิษด้วยจิตรู้แจ้งแทงตลอดดีแล้วสิ้นการช้านานแต่สาวกก็ควรติดตามศาสดาอย่างใกล้ชิดเพื่อฟังเรื่องเห็นปานนี้คือเรื่องความมักน้อยเรื่องความสันโดเรื่องความสงัดเรื่องความไม่คลุกคลีกันเรื่องการปรารบความเพียรเรื่องศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะ ซึ่งเป็นเรื่องขัดเกลากิเลสอย่างยิ่งเป็นสัพเพยะแก่ความเป็นไปแห่งจิตเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายโดยส่วนเดียวเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับเพื่อสงบระงับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อต ร, รัสรู้และเพื่อนิพพานอานน์เมื่อเป็นเช่นนั้นอุปัทวะของอาจารย์จึงมีได้เมื่อเป็นเช่นนั้นอุปัทวะของสิทธิจึงมีได้ เมื่อเป็นเช่นนั้นอุปัฏวะของผู้ประพฤติปรมาจารย์จึงมีได้อุปัฏฐาของอาจารย์เป็นอย่างไรคือศาสดาบางคนในโลกนี้ในที่นี้หมายถึงเจ้าลัทธินอกพุทธศาสนาศาสดาบางคนในโลกนี้พักอยู่นเสนาสนะเงียบส ง, งัดคือป่าโคนไม้ภูเขาซอกเขาถ้ำป่าช้าป่าชัด ที่แจ้งหรือลอมฟงังเมื่อศาสดานั้นหลีกออกอยู่อย่างนั้นพรามและกะหบับดีชาวนิคมและชาวชนบทจะพากันเข้าไปหาเมื่อพรามและกะหบับดีชาวนิคมและชาวชนบทพากันเข้าไปหาแล้วศา ส, สดานั้นยอมยินดีความหมกมุ่นถึงความอยากได้จะเวียนกลับมาเพื่อความเป็นผู้มากมาก ศา ส, สดานี้เราเรียกว่าอาจารย์มีอุปัวะด้วยอุปัวะของอาจารย์บาปอากุศลแธรรมอันเศร้าหมองเป็นเหตุเกิดในภพใหม่มีความกระวนกระวายมีทุกข์เป็นวิบากเป็นที่ตั้งแห่งชาติคือการเกิดชราและมรณะต่อไปก็ได้ฆ่าศาสดานั้นอานนุนอุปัตวะของอาจารย์เป็นอย่างนี้ อุปทวะของสิทธิ์เป็นอย่างไรคือสาวกของศาสดานั้นเมื่อเพิ่มพูนความสงัด ต, ตามศาสดานั้นจึงพักอยู่หนเสนาสนะเงียบสงัดคือป่าภูเขาถ้ำป่าช้าเป็นต้นเมื่อสาวกนั้นหลีกออกอยู่อย่างนั้นพราหมณ์และขหาบดีชาวนิคมและชาวชนบทจะพากันเข้าไปหาสาวกนั้นย่อมยินดีความหมกมุ่นถึงความอยากได้ จะเวียนกลับมาเพื่อความเป็นผู้มากๆสาวกนี้เราเรียกว่าสิทธิมีอุปทวะด้วยอุปทวะของสิทธิบาปอากุศลธรรมอันเศร้าหมองเป็นเหตุเกิดในภพใหม่มีความกระวนกระวายมีทุกข์เป็นวิบากเป็นที่ตั้งแห่งชาติคือความเกิดชราและมรณะต่อไปสิ่งนี้ก็ได้ฆ่าสาวกนั้นอ น, นุ์อุปทวะของสิทธิเป็นอย่างนี้ อุปเทวะของผู้ประพฤติปรมจันทร์เป็นอย่างไรคือตถาคตอุบัติขึ้นมาในโลกนี้เป็นพระอระหันต์ตรัสรู้ด้วยตนเองโดยชอบเพียบพร้อมด้วยวิชาและเจรณะไปดีรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกผู้ที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาค ตถาคตนั้นย่อมพักอยู่หน้าเสนาสนะอันเงียบสงัดคือป่าโคนไม้ภูเขาซอกเขาถ้ำป่าชา้าป่าชัดที่แจ้งและลอมฟงังเมื่อตถาคตนั้นหลีกออกอยู่อย่างนั้นพรามและขะบดีชาวนิคมและชาวชนบทจะพากันเข้าไปหาพากันเข้าไปหาแล้วตถาคตนั้นย่อมไม่ยินดีความหมกมุ่นไม่ถึงความอยากได ไม่เวียนมาเพื่อความเป็นผู้มากมากส่วนสาวกของตถาคตผู้ศาสดานั้นเมื่อเพิ่มผูนความสงัดตามตถาคตผู้ศาสดาพระองค์นั้นย่อมพักอยู่ในเสนาสนะอันเงียบสงัดคือปา่าโคนไม้ภูเขาเป็นต้นนั้นเมื่อสาวกนั้นหลีกออกอยู่อย่างนั้นพรามและกหับดีชาวนิคมและชาวชนบทย่อมพากันเข้าไปหาพากันเข้าไปหาแล้ว สาวกนั้นย่อมยินดีความหมกมุ่นถึงความอยากได้กลับเวียนมาหาเพื่อความเป็นผู้มากๆสาวกนี้เราเรียกว่าผู้ประพฤติพรหมจรรย์มีอุ ป, ปัตวะด้วยอุ ป, ปัตวะของผู้ประพฤติปรหมจรรย์บาปอากุศลลธรรมอันเศร้าหมองเป็นเหตุเกิดในภพใหม่มีความกระวนกระวายมีทุกข์เป็นวิบากเป็นที่ตั้งแห่งชาติชราและมรณะต่อไป ก็ได้ฆ่าสาวกนั้นอานนท์อุปัทวะของผู้ประพฤติพรหมจรรย์เป็นอย่างนี้อานนท์บรรดาอุปัทวะทั้งสามประการนั้นอุปัทวะของผู้ประพฤติพรหมจรรย์นี้มีวิบากเป็นทุกข์เผ็ดร้อนกว่าอุปัทวะของอาจารย์และอุปัทวะของสิทธิ์เป็นไปเพื่อความตกตำ่ำเพราะเหตุนั้น เธอทั้งหลายจงประพฤติต่อเราด้วยวัดของมิตรเถิดอย่าประพฤติต่อเราด้วยวัดของศัตรูเลยข้อนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลและเพื่อความสุขแก่เธอทั้งหลายตลอดกาลนานสาวกทั้งหลายย่อมประพฤติต่อศาสดาด้วยวัดของศัตรูไม่ประพฤติด้วยวัดของมิตรเป็นอย่างไรคือศาสดาในธรรมวินัยนี้เป็นผู้อนุเคราะห์สแสวงหาประโยชน์ อาศัยความเอ็นดูจึงแสดงธรรมสอนสาวกทั้งหลายว่าเรื่องนี้เป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและเพื่อความสุขแก่เธอทั้งหลายสาวกของศาสดานั้นกลับไม่ตั้งใจฟังไม่ตั้งใจเพื่อจะรู้และยังหลีกเลี่ยงที่จะประพฤติตามคำสั่งสอนสาวกทั้งหลายย่อมประพฤติต่อศาสดาด้วยวัดของศัตรูไม่ประพฤติด้วยวัดของมิตรเป็นอย่างนี้ สาวกทั้งหลายยอมประพฤติต่อศาสดาด้วยวัดของมิตรไม่ประพฤติด้วยวัดของศัตรูเป็นอย่างไรคือศาสดาในธรรมวิไนัยนี้เป็นผู้อนุเคราะห์สแสวงหาประโยชน์อาศัยความเอ็นดูจึงแสดงธรรมสอนสาวกว่าเรื่องนี้เป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและเพื่อความสุขแก่เธอทั้งหลายสาวกของศาสดานั้นก็ตั้งใจฟังตั้งใจเพื่อจะรู้ และไม่หลีกเลี่ยงที่จะประพฤติตามคำสั่งสอนสาวกทั้งหลายย่อมประพฤติต่อศาสดาด้วยวัดของมิตรไม่ประพฤติด้วยวัดของศัตรูเป็นอย่างนี้อานนท์เพราะเหตุนั้นเธอทั้งหลายจงเรียกร้องเราเพื่อเป็นมิตรเถิดอย่าเรียกร้องเราเพื่อเป็นศัตรูเลยข้อนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกลูลและเพื่อความสุขแก่เธอทั้งหลายตลอดกาลนาน อานน์เราจะไม่ประครับประคองเธอทั้งหลายเหมือนช่างม่อประครับประคองภาชนะดินดิบที่ยังดิบอยู่เราจะกล่าวขมแล้วขมอีกจะกล่าวยกย่องแล้วยกย่องอีกบุคคลใดมีแก่นสารบุคคลนั้นจะดำรงอยู่แก่นสารหมายถึงมรรคและผลแต่ในที่นี้แม้โลกิยาคุณก็ประสงค์ว่าแก่นสาร พระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้วท่านพระอนนท์มีใจยินดีชื่นชมพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคดังนี้แหละจบมหาสุญญตาสูตร